พระบัญญัติ978ก็ภิกษุณีใดไปดูโรงละครหลวงหอจิตรกรรมส่วนสาธารณะอุทยานหรือสาปารกครีต้องอบัดไปจิตติเรื่องภิกษุณีชบักีจบ